อ่ะต่อไปเกี่ยวในเรื่องของสุบินนวิถีนะส ป, ปินนวิถีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องความรู้เบตรเตอร์เเกี่ยวกับสุบินนวิถีได้ไหมถ้าพูดอย่างนั้นก็น่าจะได้นะแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนเพราะมีทั้ง12วิถีในหน้าที่ร้อยาเนี่ยคำว่าสุบินนวิถีตรงตรงกับภาษาตรงตัวนะคําำค ำ, คำเนี้ยเขาแปลว่าวิถีหลับตามรูปศัพท์เนยคำว่าสุบินนวิถีเนี่ย เขาแปลวิถีหลับโดยสภาวะแล้วก็หมายถึงการที่จิตเนี่ยครึ่งหลับหรือครึ่งตื่นหลับครึ่งหนึ่งตื่นครึ่งหนึ่งลักษณะเช่นนั้นเน่ยเขาเรียกว่าหลับหลับบ้างตื่นบ้างรวดเร็วกว่าปกติลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสุปินนวิถีจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยหลับเดีวตื่นเดยหลับเดตื่นดยรวดเร็วมากขนาดนั้นนะน ถ้าหากเรียกตามภาษาบาลีเรียกว่าสุปินนวิถีตรงกับภาษาไทยว่าวิถีฝัน <c oughs> เรียกเป็นไงว่าวิถีฝันใช่ไหมถ้าถามบอกว่าคนเราจะฝันเนี่ยจะฝันทางทวารไหนทางจากักรูทวารโสตะทะวารคานาทวารชิวหาทวารหรือกะหรือมโนทวารก็ต้องบอกว่าทางมโนทวารฉะนั้นคนเราไม่ได้ฝันทางจากักขูทวาร โสตทวารคานทวาลชิวหาทวาลหรือกายทวาร น, นะทางปัญจทวาลทั้งห้าเนี่ยไม่ฝันฝันไม่ได้เพราะไม่รู้ใช่ไหมทางมโนทวาร น, นี่แหละเพราะในขณนะนั้นหลับใช่ไหมหลับตาด้วยและในขณนะเดียวกันก็คือหูก็ไม่ได้รับอารมณ์ในในขณะนั้นด้วยอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอาจจะมีนะได้ยินเสียงในขณนะนั้นก็เก็บลึกลงไปแล้วก็ไปตรึกเรื่องนั้นเลยกลายเป็นฝันไปเลยงงเงียงงเงีย้ย แต่จริงๆอ น, นั้นไม่เรียกวิถีฝันวิถีฝันต้องเป็นทางมโนทวารวิถีถึงบอกว่าอย่างเมื่อตอนเชา้าที่อธิบายบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาจะหลับเนี่ยในขณะที่จิตจะหลับเนี่ยจากการที่จิตตื่นขึ้นมารับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกใช่ไหมทีนี้พอจะหลับเนี่ยก็แปลว่าเริ่มปิดคือสภาพของจิตนั้นก็จะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลง จะบอกว่ามันไม่ควรต่อการงานก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้เริ่มจะไม่ควรต่อการงานโดยกิจการต่างๆแล้วก็จะเริ่มหมดกําลังลงหมดกําลังลงเนะี่ยแล้วก็เริ่มปิดแล้วก็วุบหายไปนในทํานองอย่างนั้นนั่นแหละฉะนั้นที่วุบหายไปเนะ่ยถามว่าตอนนั้นเป็นยังไงก็าแปลว่าหลับหลับก็คือว่าตอนนั้นพวังกัจิตเป็นไปใช่ไหมแปลว่าไม่ขึ้นสู่ทางทวารใดสักทวารเลย ไม่ขึ้นสู่ทางมโนทวารทางกายยัตวารทางชิวหาทวารทางคานทวารทางโสตทวารทางจักขุทวารไม่ขึ้นเลยอย่างนี้ก็แปลว่าหลับจริงๆไม่วิถีจิตไม่ได้แล่นไปทํากิจตามทวารต่างๆเลยไม่ได้ไปทํากิจในทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเลยตอนนั้นแปลว่าผวังกัจิตก็ทํากิจในการที่จะสืบต่อพบนั่นแหละ <c oughs> เรื่องรักษาภพนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้ตัวผวังกับจิตก็เกิดขึ้นสืบต่อไปตามลําดับทีนี้ถ้าจะดูบอกว่าเอ๊ะบางคนใช่ไหมทําผวังนั้นให้เป็นไปในระยะที่ยาวนานบางคนก็ทําให้ผวังเป็นไปในระยะกระท่อนกระแท่น เ, เริ่มเริ่ ม, มต่างกันเลยตรเนีน้คนเราจะมีจุดต่างกันตรงเนี้ยบางคนเวลาจะหลับแต่ละทีนี่ก็โอ้โหรู้สึกจะทรมานมากคล้ายๆว่า แว บ, บเดียวเดี๋ยวอะไรคลอกแคตื่นขึ้นมาอีกแล้วนิดเดียวเท่านั้นก็เพียงพอต่อการที่จะตื่นอย่างระวังแล้วไม่รู้เป็นอะไรก็าบอกนอนไม่สนิทเลยนี่ถ้าไปหาหมอหมอก็คนวิตกังวลมากใช่ไหมคนเนี่ยวิตกังวลมากนอนไม่หลับถามว่าทําไมจึงนอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับนั้นให้สังเกตดูเถอะว่าถ้าเป็นพระหรือผู้ทรงศีลก็นมากเป็นกลุ่มที่ศีลไม่ดี งุนงิ ด, งดพุ่งศีลไม่ดีเนี่ยสมาธิมีปัญหาไหมสมาธิจะไม่เคยเกิดอีกบอกว่าจะไม่คิดก็ไม่ได้เพราะไปรู้ซะแล้วว่าอะไรคือบาปอะไรคือบุญนะซึ่งผิดกับคนที่ทําบาป <_ S 2> เขารู้ก็รู้แบบผิดๆเขาก็อาศัยสมาธิแบบมิจฉาสมาธิของเขาเป็นตัวขบในที่สุดจริงๆเขาก็หลับลงได้มองเห็นใช่ไหม <_ S 1> ฉะนั้นในกลุ่มที่ศีลไม่ดีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการนอนประเภทที่ทศจริตกระทามาเยอะ สุจริก็ไม่ได้ทําประเภทเนี้ยนะไอ้ประเภทเนี้ยพราะอุทธจจามากๆเนี่ยนอนไม่เคยหลับนี่นี่กลุ่มหนึ่งนะสําหรับกลุ่มที่ที่ที่นอนไม่ค่อยหลับแต่ถ้าหากว่าในลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่าถ้าเป็นภิกษุที่นอนไม่หลับอันนั้นก็ตือนลือล้นในการที่จะทําความเพียร น, นั่นกลุ่มหนึ่งนะหรือไอ้กรณีที่บุรุษตรึกถึงหญิงหญิงตรึกถึงบุรุษเนี้ยไอ้กลุ่มนี้ก็นอนไม่หลับไม่ค่อยหลับ พระราชาที่มีกิจการมากๆมีพาระมีห่วงกังวลมากๆวงนี้ก็นอนไม่หลับไอ้นั้นมันก็อีกในย่านหนึ่งแต่โดยสรุปก็คือว่าเอากลุ่มที่ว่าถ้าถ้าเป็นะวังเนี่ยแปลว่าหลับจริงๆแล้วถ้าถามว่าในชีวิตประจำวันที่พวกเรากำลังนั่งกันอยู่เงี้ยจิตลงผวังไหมลงเอ้าเห็นรูปทางตาพอปารบรูปทางตาเบ็ดเสร็จก็ลงผวังแล้วแต่อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าหลับ ก็แปลว่าลงผวังเพื่อจะเปลี่ยนในการรู้อารมณ์ใหม่ทางทวารไหนก็ก็แล้วแต่ว่าจะปารบอะไรท่านผู้นั้นเนี่ยชํานาญเรื่องอะไรและกําลังจะปรารบหรือมนัิการเลือกอะไรมันอยู่ที่ตรงไหนแต่ทางมโนทวารอยู่ที่ว่ามโนทวารเรชนะของท่านผู้นั้นจะลำพึงถึงอารมณ์อะไรจะลำพึงถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงสัมผัสถึงธรรมอารมณ์เนี่ยหรือถ้าหากว่าทาง ทางปัญจทวารก็ต้องดูว่าอารมณ์ที่เข้ามาสู่คลองของทวารนั้นนั้น่ยอย่างเช่นว่าทารูปารมณ์เข้ามาอถ่านในขณะเ น, นี้ถามว่าที่เราตรึกกันอยู่ในขณะ น, นี้พยายามที่จะตั้งใจฟังตอนนี้เพราะอะไรมนุิยการทางผ่านทางจากักรุทวารลงไปเพื่อจะลงสู่มโนทวารนี่ไหมเออเออไม่ใช่ทางโสตทวารลงไปเพื่อจะลงสู่มโนทวารแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ โสตทวาร น, นะจักขรทวาลก็เอาด้วยขานาทวารก็เป็นไปด้วยใช่ทมทำไกายทวารก็เป็นจิวหาสวารก็เป็นมโนทวารก็เป็นนั่นคือความรวดเร็วของจิตแต่ทุกวิทุกทวานนั้นก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์แปลว่าต้องลงภวงังการลงผวังอย่างนั้นไม่เรียกว่าหลับไม่เรียกว่าหลับการหลับตื่นตื่นหือการลงสู่ผวังเปลี่ยนรับรู้อารมณ์ลงผวังเปลี่ยนรับรู้อารมณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่เรียกว่าเป็น ไม่ไมเรียกว่าเป็นการฝันแต่ถ้าลักษณะของการฝันเนี่ยแปลว่าทวานทั้งห้าใปิดมีมโนทวารทากิจอย่างเงี้ยนะเป็นประการละสํสำคัญทีนี้ในมโนทวานนั้นก็ยังเป็นสภาพที่หลับนนหลับตื่นตื่นเร่องั้นหลับหลับตื่นตื่นเรียกว่างไงเพราะในบรรดาวิถีมันจะมีอะไรถ้าวิถีฝันมีสามประเภทหนึ่งสุ ป, ปินนวิถีที่เป็นกุศลวิถีสองสุ ป, ปินนวิถีที่เป็นอกุศลวิถี สามสเปนนวิถีที่เป็นอ so ัพยากตะวิถีมันมันจะมีมันจะมีอย่างนี้มีทั้งตทาลมมณวาระมีทั้งชโนณาวาระมีทั้งโวุฒพะนวาระและมีทั้งโมคะวาระนะวิถีฝันจะมีอย่างนี้เเป็นที ถึงแม้ว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้จริงแต่ว่าอัธยาศัยของนั่นของท่านผู้นั้นนะ่คุ้นเคยอะไรถ้าคุ้นเคยบาปแม้ฝันเห็นเรื่องดีก็ปารบบาปเพราะมนุศิการไม่ดีนี่เป็นอโยนิโสมนาศิการในขณะนั้นแต่ถ้าหากว่าฝันในเรื่องที่ไม่ดีคนที่มนาศิการได้ดีก็ยังน้อมที่เป็นบุญได้ฉะนั้น ตรงนี้อยู่ที่ว่ามนุิยการของท่านผู้ใดนั้นจะเป็นโยนิโสมนุิยการหรืออโยนิโสมนุิการถ้าไม่ชํานาญเป็นอย่างดีเนี่ยโดยมากวิถีฝันค่อนข้างแย่มักจะเป็นไปตามสภาพของอารมณ์ที่เห็นเช่นถ้าหากว่ามีสัตว์ร้ายกําลังโดดไล่ในความฝันเนี่ยเอามีสัตว์ร้ายกําลังโดดไล่จะกัดเนี่ยถามว่าในขณะนั้นน่ยมีไหมจะตรึกในการปารคกุศลในขณะนั้น เห็นไหมว่าลักษณะของความฝันเนี่ยโดยมากถ้าคนที่ปึกไม่ดีเพราะในขณะนั้นอินทรีย์ไม่แก่ก้าศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาไม่แก่ก้าตอนนั้นสติเนี่ยไม่มีประมาเลยอย่างยิ่งนะมันก็จะคล้อยไปตามสภาพของอารมณ์อย่างนนถ้าจะพูดอีกทีเหมือนคนใกล้ตายบางคนบอกเอ้ยเราไม่เพลินไรแล้วจเจริญกุศลเป็นอย่างดีเรียนวิธีทำม า, มาก ถ้าใกล้จะตายอารมณ์ไม่ดีมาปรากฏแล้วก็พลิกสถานการณ์ให้เป็นกุศลได้ถ้าเฉพาะตนเองไม่เพียงพอต้องมีกัญญาณมิตรบอกกล่าวจริงๆเว้นไว้แต่ when, when is, เริ่มตั้งอัธยาศัยนะตั้งแต่บัดนี้บัดนี้ต้องดูว่าตนเองอาศัย ใ, ใจเป็นนานขนาดไหนด้วยเนะียอันนั้นก็ดูตรงนั้นพ่อชาเข้าใจไหมพอจะมองเห็นนะเนี่ยเราเล่าหน่อยก็ยังดีไ <c oughs> <c oughs> ม่จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือคือลักษณะของการฝัง จำตัวยเข้าใจนะนี่ฝันเคยฝันไหมไม่เคยเนี่ยก็บอกว่าคนไม่ฝันมียูพวกเดียวคือผ้าละหันที่ไม่ไม่เคยเพราะว่าจำไม่ได้จริงไม่จริงอ่ะถามว่าแล้วต้องบอกอย่างนี้คนไอ้ที่ไม่ในกลุ่มไม่ฝันน่หนึ่งผ้าละหันสองสัตว์นรกแล้วก็กลุ่มพวกเทวดาทั้งหลาย โอ้ไม่เวลาหลับเดี๋ยวเาบอกว่าเอะทางนั้นเดี๋ยวมันมันกลุ่มเนี่ยหนึ่งเทวดานะสองพระอรหันเนอะสามสัตว์นรกคือในกลุ่มของชั้นสูงๆไปเขาไม่ฝันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าในมนุษย์นี่สิเทวดาเ้าเป็นเทวดาอยู่แล้วเทวดาไม่ฝันเขาเห็นเลยนะถ้าอะไรจะปรากฏกับเขาเนี่ยเห็นเลยในเทวดานี่ อย่างเช่นว่าความตายยังปรากฏเกิดขึ้นนะครับปรากฏเราเห็นก็มีเป็นนี้เดี๋ยวดูรายละเ อ, อียดต่อไปสาเหตุที่ไม่ฝันเพราะว่าไม่มีการครึ้นหลับครึ่งตนะื่นใช่ไหมเทวดาถ้าลงผวังก็ผวางเลยถ้าขึ้นวิจิรวิจิตรเลยนะมันมั น, ม, นมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าบอกว่าเหตุของความฝันใช่ไหมธาตุพิการเทวาดาไม่มีธาตุพิการเลย จช่ไหดินน้ำไฟลมเขาจะสมดุลนะอาหารกำเริบเทวดาไม่กินอาหารอย่างเราเพาะอะสิทุกขติเหตุกาบุคคลสุขตีเหตุุกาบุคคลในในกรณีอย่างนั้นแต่ว่าในทุกขตินั้นเขาเว้นสัตว์นรกเปรตปันได้อยังมีเวลานอนบ้างอ เพราะกสุลกายก็ยังมีเวลานอนบ้างแต่ น, นอนแบบสะดุง้งหวาดเสียวตลอดเวลาพูดอย่างนี้เขาก็คงจะในกลุ่มที่เขาเขาเป็นสิงเหลนะ่านั้นจริงๆเขาบอกเ e อ้ยอคําสอนของพระเจ้ า, านี่แปลกดีนะเราคิดอย่างนั้นเหตุที่ให้เกิดความฝันเนี่ยนะเหตุภายในที่เป็นต้นเหตุถามว่าที่เป็นต้นเหตุนันะ้นเะน่ยคือวิปัาสธรรมวิปัาสธรรมทั้งหมดมีสิบสองนะ เกี่ยวในเรื่องของทิฏฐิเกี่ยวในเรื่องของจิตเกี่ยวในเรื่องของเรื่องอะไรเรื่องสุภาเรื่องไอ้สัญญาคอตัวทีเรื่องเรื่องเรื่องจิตเรื่องทิฏฐิเรื่องสัญญาทิฏฐิเกี่ยวในเรื่องของสัญญาสุภาวิปราเนี่ไปจําว่างามในสิ่งที่ไม่งามถ้ายังมีพวกนี้อยู่เนี่ยนะฝันเนี่ยนี่เห็นความฝันแล้วก็อะไรสัญญาสัญญานิจาวิปราเนี่ อนิจจาวิปัสสนาเป็นต้นในนี้เนี่คือไปจำว่าเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปจำว่าทุกข์ในสิ่งที่มันไม่ใช่ทุกข์ไปจำว่ามันเป็นอัตตาในสิ่งที่มันไม่เป็นอัตตาไปเห็นว่างามในสิ่งที่มันไม่งามไปเห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปเห็นว่าสศกในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนในสิ่งที่มันไม่เป็นตัวเป็นตน แล้วอะไรเละไปคิดว่างามในสิ่งที่มันไม่งามไปคิดว่าเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปคิดว่าสุขในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปคิดว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่มันเป็นอนัตตาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกวิปปาราสิบสองมัฉะนั้นลักษณะของวิปปาราสธรรมสิบสองเนี้ยบุคคลยังล้าไม่ได้นั่นไครเน้ะสัตว์โลกแทบทุกประเภทเว้นพระหลานเท่านั้นถ้าถึงบอกว่าเป็นบุคคลเจ็ดจำพวกนะ ทุกขติสุขติทวิติเหตุกับบุตชนโสดาสกาธาแม้แต่พระอนาคาที่ยังอยู่ในโลกนี้ยังเผลอไม่ได้ยังมีแวบๆฝันแต่ว่าถ้าท่านที่มีสติสัมปชัญญะดีท่านก็ไม่ได้ไปมีอะไรฝันอะไรค่อนทางเยอะมากมายนะแต่อย่าลืมนะว่าเหตุความฝันมีทั้งหลายอย่างใช่หมเห็นความฝันมีทั้งหลายอย่างนี่เช่นในสมัยก็เข้าสอนสอนกันมามีอะไร เอาในที่ครูบาจารย์ก็สอนกันมาก็จิตอาวรเทพสังหรณ์กรรมบรรดาอาหารกรรมเริ้บเขาว่าอย่างนั้นนะเนีจําเนี่ยเนื่องด้วยความจำอย่างนั้นก็เรียกว่าจิตอาวรอนอจําอะไรมามากๆเนี่ยจิตก็คํานึงถึงระลึกถึงก็อาวรนจาแบบไม่ค่อยลืมเมื่อเกี่ยวฝันถึงในเรื่องนั้นเว่างั้นเคยเป็นยังไม่แบบเนี้ยประการต่อมาคือปุพานิมิตพวกนี้กลุ่มกรรมบรรดาลทั้งหลายแล้วก็ประเภทธาตุไม่ปกติ พวกนี้อาหารกำเริบแล้วก็เทวดาบอกเหตุท่านบอกเทพยบสง่อนได้เลยถ้านในสารถาสังหะสารถาสังฆะเนี่ยประการแรกเลยท่านบอกว่าขบพิษทาตุโกก็คือาธาตุกำเริบอนุภูตะปุพังก็คือตรงกับคำว่าจิตอววรคือจิตเป็นน่วงอารมณ์เก่าที่ตนเคยเห็นเคยพบแล้วก็เคยคิดมาแล้วก็นํามาตรึกคิดอีกครั้งเนี่ย ในสุดจริงก็เป็นสาเหตุของความฝันได้ประการต่อมาเทวโตประสังหารโตก็คือเทพสังหอนเกี่ยวกับในเรื่องของเทพหรือเทวดาบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายต่างๆเนี่ยแล้วก็ประเภทที่สี่ปุพานิมิตโตคือกรรมเก่าที่จะให้ผลในนิมิตปรากฏล่วงหน้าเช่นกรรมจะส่งผลเนี่ยปรากฏลงมาในความฝันนั้นเลยเนี่ยแต่อาจจะปรากฏแบบหนึ่งะแบบฝันแบบหนึ่งให้เทียบเคียง แต่อาจจะฉกคิดหรือไม่ฉกคิดก็แล้วแต่แต่แต่ที่สุดจริงๆก็กรรมนั้นก็ส่งผลเออเป็นอย่างนี้มีนะฉะนั้นการเห็นนิมิตในความฝันเนี่ยทางปัญจทวานนั้นเห็นไม่ได้จะเห็นได้ก็เฉพาะทางมโนทวานเท่านั้นฉะนั้นถ้าตามบาลีในเตระสาการลเดกาเนี่ยที่ท่านตัดเขาไว้ท่านบอกว่ามีคําว่าสุ ป, ปินนางหิปัสตันโตเป็นต้นนะ ถามว่าเมื่อจะเห็นสบินก็เห็นทางมโนทวารและวิถีจิตเท่านั้นไม่ใช่ไปเห็นทางปัญจทวารเดี๋ยวก็บอกเอ๊ะที่พูดมาน่นี้มีหลักฐานยืนยันไม่มีมีในไหนมีในเตรสะเตระสะการดีการนั่นเองถ้าจะเห็นก็เห็นทางมโนทวารเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ฝันทางปัญจทวารทีนี้ท่านในสังหาบาลีแหละมาจากคาว่ามโนทวาริกจิตตานางเป็นต้นเนี่ยนะท่านบอกว่าความว่าจิต จิตหกดวงที่เกิดทางมโนทวารสา ม, มารถรับอารมณ์6อารมณ์หก็คือรับจิตแปดเจตสิกห้รูปยีที่เป็นไปในการสาปัจจุบันอดีตอนาคตตลอดถึงนิพพานและบัญญัติที่เป็นการลมุดเป็นอารมณ์ได้พระบาลีที่มาในปฐฐานปฐฐานจําได้ไหมปฐฐานเนี่ยสัพเพธรมมามนโนวิญญาณนางทาตุยาต่างสมิตตการนั่นจะทำมานางอรรมนาปจเยนาปจโยยังพอจําได้ใช่ไหม ก็ทำทั้งหมดคือทำทั้งหมดคืออารมณ์6รูปอารมณ์สัตตารม์คันธารม์ละสารมณ์โผฏฐพอารมณ์และธรรมอารมณ์เนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่ทำทั้งหลายก็คือโมโนญาธาต์และสมยุตธรรมทั้งหลายด้วยอานาจอารมณ์นปัจจัยก็แปลว่าอะไรไอ้คำว่าสัพเพธรรมาเนี่ยแปลว่าคําคํานั้นก็คือว่าจิต89เจตสิกห้รูป28นิพพานบัญญตัติไอ้คำว่าสัพเพธรรมมาเนี่ย ทำทั้งหมดเลยถ้าโดยสรุปปรมัตถธรรมสี่ก็คือจิตทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดรูปทั้งหมดนิพพานด้วยลักษณะเนี้ยแต่ในนี้ก็คือเติมบัญญัติไปด้วยทีนี้อารมณ์6เหล่านี้จะเพธรรมาคือทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารามณปัจจัยคือสามารถเป็นปัจจัยอุปการละให้กับมโน ญ, ญาณธาตุได้มโน ญ, ญาณธาตุได้ตามตามสมควรเนี่ยนะนะคำว่าตามสมควร อย่างยกตัวอย่างถ้ายกน้อยๆหน่อยนะคําว่าตามสมควรเนีย่ยยกตัวอย่างเช่นอกุศลจิตเนไหมฮะอกุศลจิตเนี่ยก็ไปมีโลกิยาจิตก็ไปมีเ จ, เจเ โ, ลโลกิยจิต8ปเอดเจตสิกห้าบสรูปยี่สบแปดบัญญัติเนี่ยเป็นอารมณ์ได้เห็นไหมเนี่ยเพราะมันอกุศลจิตสองเป็นมโนยานธาตุนี่หรือมหากุศล8ก็ไปรับเห็นไหมถ้ามหากุศลจิต8นี่ รับไปแล้วรับจิตจิตหลายจิตแปดสิบเจ็ดเว้นอาถรรพมรรคอาถาตาัาถาตพณ์เห็นไหมเนี่ยถึงนั้นเลยนะเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบปัญญัติและนิพพานได้เว้นอาถรรพมรรคอาถรรพณ์อาาาอาาาโอ้อย่างนี้เป็นต้นหรือมหากริยาญาณนะสามยตตจิตสีมโนวทวารวัชนะจิตหนึ่งกริยาพิญญาจิตหนึ่งจิตหกดวงนี้เนี่ย ก็สามารถที่ไปรับได้จิตแปดสิบเก้าเจ็ดสิบห้าสองรูปยี่สิบนิพพานบัญญัติทั้งหมดโดยไม่มีเหลือถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารับสภาวธรรมทั้งหลายได้ ห, หมดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสุ ป, ปินนวิถีก็เป็นวิถีเหล่านี้นี่เองเป็นวิถีเหล่านี้นี่เองมนโนวิญญาณนี่เองที่ไปรับอารมณ์เหล่านี้แต่ตัดไอ้คำว่าสภาวะธรรมก็คือตัดพวกกลุ่มโลกุตรธรรมออกไปใช่ไหมก็เหลือบัญญัติธรรมมี่เป็นอย่างนี้นะ พระบรมณ์เหล่านี้นั่นเองแต่จริงถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับเป็นกลุ่มในการมารมโดยซ้ำ ไ, ไปใช่ไหมย่อลงมาก็คือกลุ่มนี้เท่านั้นท่านในวิภูตารมวิถีและอวิภูตารมวิถีก็ย่อมฝันได้โดวยวิถีหนึ่งตามสมควรทีนี้ถ้าหากหลักฐานที่บอกาธาตุกาเริบเอ๋ยเห็นเพราะใช้ความคิดมากเห็นเพราเทพสังหรณ์เห็นเพราะปุบภณิมิตหรือกรรมบันดาลแล้วก็ท่านในทางด้านวินัยยปิฎกมาในปารัชิกกันอัตถกถา ก็สร้างบอกท่านกล่าวเหตุของความฝันไว้สี่ประการดังที่ได้กล่าวนี้เหมือนกันบอกฝันหนึ่งธาตุไหจะตรงกันันคำพีต่างๆเนี่ยหนึ่งธาตุก็คือดินน้ำไฟลมในร่างกายนั้นเนี่ยเกิดกำเริบขึ้นมาคำว่ากำเริบนี้เข้าใจไหมมันเกิดแปรปรวนขึ้นมามันไม่สมดุลกันนั่นเองสมัยก่อนก็บอกว่าธาตุพิการเนี่ยจะต้องมียาปรับธาตุปรับธาตุอะไรก็กินยาธาตุยาอะไรงั้นเข้าไป แล้วก็เห็นพอใช้ความคิดมากตรงนี้ฝันเนี่ยคิดมากวิตกกังวลเรื่องใดมากเก็บเอาไปฝั น, นยอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเป็นบ่อยแล้วเคยเป็นมาบ่อยทีตรึกเรื่องอะไรคิดแบบกังวลนะไม่ได้คิดแบบท้อรมอะไรหรอกแล้วก็เทพใครเคยมีความรู้สึกว่าเทพสังหรณ์บ้าตัวเคยบ้างไหมเคยบ้าไหมบอกเยเทพสังหรณ์เลยเคยบ้างไหยเคยบ้างไหมไม่มีเลยเนี่ย บอกเคยน้อยใจตัวเองไหมนายจะมาสะกิดบ้างเลยมีคนมีคนโทรเล่าให้อาจารย์ฟังเยาบอกว่าแก็บฝันตลอดเลยถามฝันยังไงฝันเหมือนมีคนพอนอนไปนอนที่ไหนก็มีคนมาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมาไปสักทีที่ทำไมไม่เอาไปใช้สักทีเงินที่นอนทับอยู่เนี่ยว่าเงื่อนนั่นะคือแกเฝ้ามานานเนะ่ยบอกรีบเอาไปใช้ที่ เนี่ยอยู่ใต้เตียงที่นอนทับอยู่เนี่ยแกก็ไม่กล้าบอกถามทําไมกลัวเขาขุดบ้านฝันทุกขึ้นฝันบ่อยๆด้วยนะไอ้ฝันแบบนี้ยเดี๋ยวก็มาแล้วใจชุดอย่างดีแล้วก็บอกทําไมไม่เอาไปเล่าอะไเงี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดทีนี้ก็ย้ายบ้านไปที่อื่นก็ไปฝันอยู่นั่นแหละมองอยู่ใต้เตียงนะแกก็โตสามัญนะโอ้โหเนี่ยก็เป็นมาเนี่ต้องเป็นจะเป็นสิบสิบปีไอ้ฝันแบบนี้เนี่ย แกก็มีกลาบอกเลเดี๋ยวให้เขาเขาจะว่าแกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ะโทรถามยันเป็นไงอจารบอกเราฟังทีแรกเราอนึกแกยังไม่เล่าจบใช่ไหมเราก็บอกเอ๊ะอย่างนี้มันคงจะเป็นเกีเ่ยวกับย้อมห่วงกังวลทรัพย์อะไรมากแววะเนี่ยใช่ไหมก็ตีประเด็นไปก็ไมปจิตอวบนะนะี่เปล่าคิดมากแล้วเปล่าใช่ไหมไม่เห็นคิดเรื่องแบบนี้ว่าไม่ไม่ไม่น่าจะไปคิดถึงขนาดอย่างนั้นนี่มันเห็นจริงๆรนะวงั้นนะ เม่อเดี๋ยวอาจารย์ละฟังให้จบก็ว่างั้นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการในเรื่องฝันเนี่ยนะจะเกี่ยวกับเทพหรือเปล่าลองฟังดูนะทีนี้ก็มีเรื่องเพิ่งเกิดเลยเนี่ยทีนี้ก็ต่อมาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพอย้ายไปอีกที่หนึ่งเขาไปอยู่บ้านก็มาอีกแล้วบอกให้ไปขุดเออทีนี้ก็ไปมาทีนี้เขาก็บอกว่าเอาวันวันที่ยี่สิบเก้า เดือนสิงหาพศออ2545ตื่นเช้าขึ้นมาอ้คนที่เข้ามาบอกนะก็บอกว่าบอกว่าจะได้เงินสองมืน่นสองมืนนะ่นเนี่ยแล้วเ็าบอกว่าแล้วให้นั่งให้ให้คนมันเอาคนมันนั่งกรรมฐานทุกวันนั่งกรรมฐานแล้วอย่างแล้วตัวผู้ฝันก็สวดมนต์ด้วยเลยแต่ว่านั่งกรรมฐานกันนี่นะ ทุกวันลักษณะสองคนวันละสองคนสองคนลักษณะให้นั่งกรรมาฐานเนี่ยแล้วจะยิ่งแล้วพอเงินจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในความฝันแกก็อ้ยมันจะรวยเพราะตนเองจนจนจ น, จนลงเรื่อยเลยนี่จากเคยมีแล้วมาจนหมดแต่นี้ก็บอกบอกลู ก, กลูกมาบอกลูกบอกเนี่ยเดี๋ยววันที่เท่านั้นเดี๋ยเราจะรวยเริ่มรวยแล้วนะก็ บ, บอกลูกก็ไม่รู้ เขาบอกอ่ะเขาทำตามแม่ก็แล้วกันไอ้ความอยากรวยเหมือนกันน่ะนาะก็ทําตามที่แม่บอกเลยบอกพอถึงวันนั้นจริงๆปีนั้นเดือนนั้นจริงๆเนี่ยฝัปรากฏแล้วมันได้มาจริงๆเลยสองหมืม่นอันดับแรกเก็มั่นใจก็ทํำก็ใหญ่ตัวเนี้ยแกวันนี้ละมัง้งที่ฝันเนี่ยก็ว่ากันนะไอ้ที่ว่าใตเตียงไตเตียงแกก็นึกไงงั้นน่ะนาะโอ้โหแต่นเนี้ยไอ้ช่วงเศษรษฐกิจมันตกใช่ไหมช่วงนั้นใช่ไหม ตกคันบ้านหันแหลกมาตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้แต่แกเองกับดีขึ้นดีขึ้นแกบอกดีจนตกใจทุกคนก็ บ, บอกเออคงไปขายสมบัติเก่ามาให้ให้ลูกมีลูกทุกคนเนี่ยให้ปลูกบ้านปลูกบ้านเลยมันแล้วก็กิจการที่ทำเขาอุย้ยเจริญรุ่งเรืองเล่นซะคนงานอินเหนื่อยเลยนะคนงานอีเหนื่อยคนงานร้อยกว่าคนอินเหนื่อยประมาณ น, นีถามว่ามันอะไรเลย อย่างนี้มันจะเป็นเทพสังหรณ์ได้ไหมนียก็ไปคิดดูนะนี่นี่ก็เล่าตามฟังไม่ได้ไปสรบปวันนี้ไม่แฟนก็มีนานๆก็มาก็บอกเออให้ทําอย่างนี้ต่อไปให้ทําอย่างนี้ต่อไปก็ไม่รู้แล้วเอไม่รู้แต่ต้องบอกว่าเออมันเป็นเรื่องแปลกๆอย่างในเรื่องแบบนี้เราไม่รู้อะอย่างเงี้ย ถ้าหากว่าในมิรินทปัญหาท่านก็แสดงเหตุของความฝันไว้สามอย่างเหมือนกันเห็นเพราะสเลดทำเอาเนี่ยคือสเลดก็ทำให้เป็นเหตุของความฝันได้ลมกาเริบก็ได้หรือเลือดไม่ค่อยดีกลุ่มเหล่านี้ฝันได้เห็นไหมถ้าในในมิรินทปัญหาในกำบีชั้นมิรินทปัญหานี่บอกไว้อย่างนั้นเลยบรรดาความฝันนั้นน่ะทถามบอกว่า าธาตุกาเริบและใช้ความคิดมากความฝันนั้นไม่มีความเป็นจริงท่านว่าไงไม่มีความเป็นจริงถ้าบอกว่ า, าธาตุกาเริบเอ้ยเป็นเพราะใช้ความคิดมากไม่มีความเป็นจริงอ่ะถ้าบอกว่าความฝันได้เกิดจากเทพสังหอนความฝันนั้นมีความจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้จริงบ้างไม่จริงบ้างฉะนั้นถ้าว่าเทวดาดนใจเนี่ยมยีสองกลุ่มเทวดาหลอกกับเทวดาบอกจริงๆ แล้วก็จะไปต่างอะไรใช่ไหมเทวดาก็ยังมีกิเลสใช่ไหมใชะนะก็ให้พิจารณาอย่างนี้ว่าทานา่นในมรินถ้าปัญหาเห็นพ่อเสเลดทําเอาเห็นพ่อลมกําเริบแล้วก็เห็นพ่อเลือดไม่ดีเอออย่างนี้คิดไปมันน่ามีส่วนไนเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เคยเป็นนะที่บอกว่าเสเลดทําเงี้ยฝันได้เหมือนกันครึ่งหลับครึ่งตื่นในเสเลดมันมันเกิดมาพันมาอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยหรือพราะลมลมคล้ายๆว่าระบบ ระบบของธาตุนั่นเองไอ้ครับว่าลมเนี่ยมันทําให้นอนไม่สนิทคนที่เลือดไม่ดีคนที่เลือดไม่ดีเช่นระบบฟอกเลือดไม่ดีพวกนี้จะฝันอยู่บ่อยอย่างนี้มีประสบะการณ์พอสมควรลักษณะอย่างเงี้ยเอาเป็นจริงไม่ได้เนี่ยในกลุ่มเราเนี้ยอาจจะเป็นเพราะกลุ่มเลือดไม่ดีหรือเพราะเสเตทหรือเพราธาตุกลุ่มเรานเนี้ยนะแต่แต่ถ้ า, าว่าเป็นชีวัวน่าจะอยู่ประเด็นคิดมาก มอองไหมใช่ไหมคิดวิตกกังวลเรื่องอะไรมากลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเหตุของความฝันฉะนั้นถ้าตรงนี้นะก็ต้องไปดูไปดูไปไ ป, ไปสังเกตให้ดีนะลักษณะของความฝันทีนี้ถ้าถามบอกว่าความฝันนั้นเป็นทั้งกุศลเป็นทั้งอกุศลเป็นทั้งอภยากตะเป็นทั้งกุศลอกุศลและอภยกตะถามว่าถ้าเป็นกุศลนี่จะเป็นในเรื่องอย่างไร ถ้าสมมติไปฟังธรรมไปศึกษาพระธรรมหรือตึกในพระธรรมเนี่ยความฝันนั้นมันเด่นอย่างนี้ดีฝันไปเถอะถ้าใครแม้แต่ฝันก็ยังฝันว่าเจริญบุญนี่โอ้โหคนคนนั้นกันเริ่มเยี่ยมหลายอย่างเหมือนกันน่ะนะฝันว่านั่งกรรมฐานเงี้ยฝันว่าฟังธรรมตลอดนี่เนะ จิตใจแจ่ม ใ, ใสเนี่ยลองคิดดูถ้าใครฝันอย่างนี้จะแจ๋วมากยอดอย่างนี้ถือว่ายอดจริงๆโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็น่าหวาดเสียวยังไเนี่ยถ้าเข้าแต่ป่าเจอแต่สัตว์ร้ายเนี่ยก็เอาเตรียมไว้ชีวิตในมรณาสถานการณ์ก็เป็นชีวิตที่น่ากลัวนะถ้าถึงขนาดนั้นแล้วก็ต้องมานาสิการให้เป็นฟังธทำให้มากถ้ายังไม่ไดบตรึกฟังฟังว่าธทำให้มากแล้ว จะ่มีผลเสียกับตนเองมากฟังให้มากตรึกพระธรรมให้มากปิดเรื่องอื่นนี่เนาะให้หมดพยายามกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มคิดมากนั่นแหละฉะนั้นในกลุ่มของบุคคลที่คิดมากนั้นพยายามอย่ารับรู้เรื่องอะไรมากถ้ารับรู้เรื่องอะไรมากก็เป็นผู้ที่มีอโยนิโสเป็นส่วนมากได้แล้วก็ยิ่งเสียหายใหญ่เป็นโทษต่อจิตใจอย่างรุนแรงบางทีอยากรู้ใช่ไหม ว่าเขาว่าอะไรเรานาะเขาพูดเรื่องอะไรกันน้อเนี่ย น, นั่นแหละคือการแหย่หรือตั้งความรู้สึกไปเพื่อให้เพื่อให้ตนเองเข้าถึงทุกข์โดยแท้ต้องออกให้ได้ตรงนั้นต้องฝึกตัวเองออกให้ได้พยายามฝึกขัดอย่ารับรู้เรื่องราวอะไรมากที่ไม่ใช่กลุ่มเกี่ยวกับธรรมะถ้าเขาจะพูดเรื่องอะไรตรงนั้นบอกอเออขอตัวนะครับเนี่ยหรือขอตัวนะอะไรเงี้ยพอดีมีธุระจะไป ท่องพระธรรมถ้าทําได้นะคนนั้นเจียวมาพอเขาจะคุยก็คุยปารบอีกเรื่องหนึ่งก็บอกโอ้ผมคุยมานานมามากคือใช่ใช่ใช่ราะนั้นถ้าต้องบอกถ้าจะคกคลีก็คกคลีโดยการสนทนาพระธรรมถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างเดินนะเพราะอะไรเราเป็นอันตรายต่อใจเราเราสร้างสร้างอัตยาศัยเราผิดพลาดแล้วเนอะ ถามว่าคนที่เสียหายคือใครเลยเดี๋ยวเราเก็บไปฝันพอเก็บไปฝันแล้วไม่พอแล้วก็คิดอยู่นั่แหละตอนนี้โอ้ยเราทำไมจะต้องปัญหาวิธีคิดหัดการุณาตนเองให้ถูกใช่ไหมเราต้องการุณาตนเองให้ถูกว่าโอ้ยเราจะเบียดเบียนตนเองไปถึงไหนเนี่ยใช่ไหมคาว่าเอาเวลาห้นตู่เนี่ยให้เข้าใจนะสับ เ, เาาต็ตเเ ด, ดมันอ่ะเต็ด ฉนั้นถ้าหากว่าถ้าเราเราคลุกคลีเราเสียหายเลยเราจะเสียหายยิ่งเราละท า, ายไม่ถูกไม่เป็นด้วยแล้วเนี่เสียเลยพยายามอย่าไปรับรู้เรื่องอะไรมากเราเกิดมานั้นเราแก้ปัญหาไม่ได้หรอกกับคนอื่นเพราะเรายังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ทุกคนเป็นงั้นจริงๆเนะี่ยเอาพระธรรมของพพุทธเจ้านั่นแหละมาแก้แก้ตัวเรา แก้ไปเรื่อยๆใครมีอัธยาศัยน้อมจะมาร่วมแก้กับเราแล้วก็น้อมมาบอกผมจะแก้ปัญหาตัวผมนะครับท่านจะมาร่วมแก้กับผมก็ลุกร่วมกันแต่ผมก็ยังแก้ก็ค่อยๆไปอย่างเนี้ยแต่จะไม่เพิ่มใช่ไหมจะไม่เพิ่มสิ่งที่มันเป็นอกุศลสิ่งที่ไร้สาระแต่จะทำอกุศสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไร้สาระให้ออกจากกระแสจิตให้ไปเรื่อยๆวิธีคิดคิดอย่างนี้ ถ้าเขาจะคุยเรื่องอะไรหนี่งงทีเขามานั่งเล่าอย่างบางอย่างก็ฟังฟังไปอย่างนั้นนะนึกในใจว่าเออนนเนยเขาก็ไม่รู้นะว่าจริงๆเนี่ยเราคิดอย่างไรเขาก็ไม่รู้นะว่าเราคิดอย่างไรก็นึกอยู่อย่างนี้ตลอดนะเขาไม่รู้เราหลอกว่าเราคิดอย่างไรกรัลุณาตนเองไมว่าโอ้โหกรุณานี่เลยเนาะโทษทุนการไปทำบาปทำกรรมมามากไปเที่ยวรือไหม ทำให้คนอื่นทุกข์ใจมามากเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเขาก็มาทําความทุกข์ใจอย่างเนี้ยเนี่ยก็าเลยเริ่มกรุณาตนเองว่าเออกว่าเขาลุกไปแล้วเนี่ยเราก็จำไว้เอามาตรึกคิดตรองไปเออเป็นอย่างงั้นน่าสงสารนะคนนั้นเอะว่างั้นนะน่าสงสารหน้าการุณาว่างั้นนะเดี๋ยวเราจะอาให้ความเป็นธรรมให้เพราะอาจารย์ทำมาเยอะแล้ว ก็ก็อันนั้นจะเป็นวิธีตรึกส่วนหนึ่งแต่ก็ให้นึกในใจก็ให้นึกนึกอย่างนี้นะว่าแต่อย่าไปคิดในลักษณะการทนนะก็คิดในลักษณะว่าเออถ้าเขามานะเออเขาคลายทุกข์ได้เราพอนุเคราะห์ได้แต่เราไม่ยึดนะต้องไม่ยึดนะต้องตรึกอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ไม่เรื่องนี้แท้จริงอย่างไรเราไม่ทราบไม่ขอไปรับรู้รายละเอียดให้ตึกอย่างนั้นเลยไม่ขอไปรับรู้รายละเอียดอะไรมาก ทีนี้ถ้าหากว่าให้สังเกตบางเรื่องที่เราพอหลีกลี้ได้เราไม่หลีกนี่านนบางทีเรียกมาเลยว่าเอ้ ย, เ, อยเป็นอะไรกันวะมานั่งเล่าให้ฟังหน่อยดูว่าไอ้อย่างนี้มันพอใจแล้วถ้าอย่างี้ถามว่าเราเขาไปกันหมดแล้วเหลือเราคนเดียว เ, เรายังไม่ยอมหยุดเหนืน่อยน่คิดอยู่นั่นแหละ ว, วางแผนคิดสารพัดอยู่อย่างเงี้ย แล้วเราก็เก็บไปฝันบ้างอะไรบ้างสารพัดโอ้ยทําบาปอีกเราคิดไม่ดีเป็นบาปอยู่แล้วใช่ไหมไปฝันต่อไปบาปในความฝันอีกตื่นมายังคิดเรื่องนั้นต่อก็อีกอุย้ยบาปอีกถามว่าจะทําร้ายตัวเองไปถึงไหนถามว่าถ้าบาปเกิดที่กระแสขันของเราเนี่ยแล้วใครล่ะที่จะไปได้รับทุกข์ตัวนั้น น, นั่นก็เราเนี่ยถามว่าเราลังเกียจตัวเองขนาดไหนเราจรึงทําร้ายตัวเองตองตนนั้น ที่ทําแค่นี้ยังไม่พออีกหรือยังไม่จําอีกหรือนะี่ยสอนตัวเองบ่อยๆที่สุดจริงๆยอมยอมโอ้ยไม่ทําตัวเองอีกแล้วโอ้ยรักตัวเองรักอย่างนี้แล้วเนี่ยนะกรุณาตัวเองเนี่ยแล้วคนที่กรุณาตัวเองจริงๆเขาทาอย่างไรนึกถึงพระพุทธเจ้าอลไรแต่เนี้ยใช่ไหมเออพระพุทธเจ้าที่ท่านการุณาตัวเองท่านทำอย่างไงลักษณะเนี้ยจะแก้ในเรื่องการคิดมากแล้วจะไม่ค่อยฝันในข้อนี้ได้ เพราะเราแก้ข้อนี้ได้แต่ธาตุกำเริอบแก้ไม่ได้นะเทพสังหอนแก้ไม่ได้นะปุบพนิมิตกรรมบรรดาณ น, นี่แก้ไม่ได้นะยังไงไงให้อ่าอีเรื่องคิดให้มากอย่ากให้เป็นประเด็นความฝันทั้เรื่องหรือถ้าจะมีก็น้อยถึงถึงถามว่าสิ่งทั้งหมดเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันจะคิดก็ปล่อยคิดไปคิดงนี้ถูกก็ผิดว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยมันอยากจะคิดปัญหาก็คือว่า การคิดเป็นปกติแต่เอาความคิดนั้นมาคิดตรึกในพระธรรมแทนที่จะไปคิดใช่ไหมพยายามเปลี่ยนเพราะจิตมันคิดอยู่แล้วจิตเนี่ยมันพูดอย่างนี้มันเหมือนวัวบ้าอยู่แล้วฉะนั้นในความคิดเนี่ยมันเดินมันอยู่แล้วตลอดแต่ถามว่าเราจะเปลี่ยนหน้ามันคือว่าถ้าเราบอกว่าเราขีดทางโค้งมาทางเนี้เดี๋ยวมันก็เริ่มมาทางมาคิดในเรื่องนี้ใช่ไหม อยาให้มันอยาให้มันพุ่งไปทางโน้นไอ้ทางนี้เป็นบาปใช่ไหมถ้าเดินคิดในเรื่องนี้บาปเกิดแน่นอนก็ให้คิดนั่นแหละเริ่มตรึกออกตรึกออกแต่มาคิดอีกมองมุมเพราะตราบใดยังยังมีความคิดอยู่ยังมีจิตอยู่มันคิดแน่นอนแต่ว่าจะให้วิย์อย่าลืมนะว่าถ้าเรารู้จักฝึกใช่ไหมการฝึกจิตเนี่ยเมื่อฝึกแล้วเนี่ย บัณฑิต เ, เนี่ยฝึกตนเนี่ยตนในที่นั่นคือฝึกจิตเนะช่างสอนดักดัดลูกศรใช่ไหมช่างหมอกับปัน้นหมอแล้วสมณะเราก็ต้องฝึกจิตแล้วเราเป็นนักบวยก็ต้องฝึกแล้วไปปล่อยตามอนัตตานัตตาได้งไงล่ะนัตตามีผลนะอย่าลืมนะไปบอกอนัตตาเป็นกรรมเนะ เห็นไหมเนี่ยก็ฝึกไงจิตก็เหมือนกันแหละมันไร้กาดอยู่แล้วใช่ไหมโดยธรรมชาติจิตทุกคนเนี่ยไร้กาดอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยมันน้อมไปช่วยอยู่แล้วก็ดัดแล้วก็นึกถึงเออช่างสอนยังดัดทุกสอนเนี่ยใช่ไหมจะให้โค้งให้งออย่างไรก็ก็ดัดอย่างนี้แล้วทําไมล่ะเราอยู่กับเขามานานเขาหลอกมาเรามานานแล้วก็ดัดเขาบ้างหรือหัดดัดเขาให้เป็นไปให้ควรต่อการงานบ้างให้อ่อนในโยนบ้าง ถ้าไม่ดัดจะถามว่าใครจะดัดให้เราไม่มีใครมาอาถรรพดัดให้เราได้เลยเนอะใช่ไม่ใช่เราบอกไม่พร้อมนั้นต้องดัดต้องดัดทีนี้ถามว่าถ้าจะดัดแล้วถ้าไม่มีข้อมูลในการดัดหักมนไหมสอนเนี่ยหม้อก็เหมือนกันใช่ไหมบอกเอาไว้ไปปั้นหม้อทีพังหมดแลนั่นต้องศึกษาว่าทา เรียนรู้ว่าธํามเป็นอย่างดีแล้วก็ในที่สุดจริงๆเราจะกว่าที่จะทำจิตเป็นพระพุทธเจ้าได้ถามว่าท่านใช้เวลาดักใช้เวลาแตกตกแต่งมาเท่าไหร่เสียสงไขใช่กว่าที่จะปั้นจิตอย่างหรือว่าจะตกแต่งจิตให้เป็นอย่างพระโมคคัลลานาะภาษาลิบุตรได้เนี่ยหนึ่งสงขไขนี่เนไม่ใช่ธรรมดาต้องต่อต่อมาตามดักก็เป็นแสนกลับกันทั้งนั้น เราในอดีตชาติไม anyway. ่เคยคิดด <iki> <t ics> ัดเลยพอจะมาดัดหน่อยบางทีก็ทนหน่อยไม่เป็นไรบางทีเอ้ามันดัดไปดัดมาหงุดหงิดซึ่งแล้วก็ดัดใหม่นะค่อยๆทาไปถามว่าถ้าดัดไม่ได้เราหยุดดัดอย่างนั้นได้ไหมทางนั้นถ้ารู้ตัวกันอย่างนี้ก็เริ่มดัดของใครของมันไปตามแม่นพูดก็ดัด ใชมต่างคนต่างก็ดัดกันเพราะว่าถ้าไม่ดัดยุ่งเนี่ยใช่ไหมนีน่นี่เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วว่าลักษณะของการดัดเนี่ยก็คือดัดให้ถูกนั้นคำว่าสุเป็นวิถีเกี่ยวกัเรื่องของวิถีฝันเนี่ยนะถามว่าความฝันนี้เป็นกุศลหรืออกุศลนั้นไม่สามารถจะให้เกิดปฏิสนธิได้นะให้เข้าใจตรงนั้นในอัตฉริยะท่านบอกไว้เลยบอกว่าความฝันเนี่ย ที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเนี่ยสามารถส่งผลในปฏิสนธิการได้ไหมบอกไม่ได้ถามทําไมจึงไม่ได้มีเพราะกําลังกําลังของการฝันนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของครบก ร, รมบทเนี่ยไม่ครบหรอกคำว่าไม่ครบก ร, รมบททางไหนอย่างยกตัวอย่างเช่นการฆ่าการลักเป็นต้นเนี่ยแต่อย่าลืมนะถ้าพูดถึงในเรื่องของอภิชาเนี่ยเป็นก ร, รมบทนี่ อย่าลืมนะไอการเพ่งเล็งอยากได้ของเขาแล้วเก็บเอาไปฝันเนี่ยมันเป็นนะมันไม่ใช่ไม่เป็นกรรมเหล่านี้มันไม่ได้ส่งผลในปฏิสนธิการจริงแต่ส่งผลในประวัติการไม่ใช่ไม่ทรงใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเราเห็นวัตถุสิ่งของเขาสักชิ้นเนี่ย ย, ยสมมติเราไปดูอไปดูวัตถุที่เราชอบใจใช่ไหมต่อมาเกินมานอนฝันเลยฝันเพ่งเล็งด้วยโลภะที่อยากปลารบอยากจะได้ของเขาตรงนั้น โดยไม่ชอบทำเนี่ยใช่สิอันนี่เป็นดีเป็ น, เ, ปนเพราะว่าเป็นวัตถุที่มีเจ้าของแล้วคือบางทีบางทีบา ง, งทีลักษณะของการที่ไปปรารบอยากจะได้หรือว่าเกิดชอบลักษณะนี้ไปจะมันมีความรู้สึกว่าจิตคิดมาเอาเป็นของตนเหมือนกับคำว่าพยาบาทเนะ่ะคิดปองร้ายใช่ไหม คิดปองร้ายคิดเบียดเบียนเขาเออบางทีเนี่ยบอกว่าให้เขาค่อยๆตายไปตายไปตายไปโอ้โหบางทีเนี่ยเนี่ยเป็นมโนทุจริร ต, ตาาถ้าถ้าในลักษณะอย่างนี้นะถ้ามานั่งคิดแบบนี้เนะี่ยส่งผลในปฏิสนธิการได้นะอย่าลืมนะแต่ถ้าไปคิดในความฝันมันส่งไม่ได้ส่งผลในปวัตถิกา ร, ร, ารามสมมุติอย่างเงี้ยเรามาไม่ต้องฝันอย่างเงี้ใช้มานั่งคิดเนี่ย เอาละคนคนนี้เราจะหาอุบายวิธีเราไม่ได้ไปทําอะไรต่างๆเขาไม่ได้ครบกรรมบททางทางกายทางทางทวานทางกายนะแต่ว่าทางมโนทวานมันสำเร็จแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยขอให้ท่านบุญเนี้ยจงผอมแห้งไปทีละเล็กทละน้อยแล้วก็ค่อยตายไปตายไปเนี่ยนะให้มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะโยนี่ทํากรรมที่เกี่ยวกับมโนทุจริตเนียนี่ครบไหมคบ เป็นพยาบาททุจริตทีนี้ถ้าถ้าคิดอย่างเงี้ยเมตตาเขาเห็นไหมไม่ต้องงล้ามาคิดมเมตตาเขาปราถนาให้เขาอะไรเงี้ยเออกลายกลายเป็นกุศลมนโนสุจริต อ, อ่ะครบครอบอง์อยู่เหมือนกันกลุ่มลราเนี้ยส่งผลในปฏิสนธการได้เหมือนกันสาคัญไม่อย่างงั้นดีงดเหยียดตัวงดเหยียดแล้วผางไปเลยอะไรเงี้มันไม่ใช่ไหม แต่ความฝันนั้นส่งผลในปฏิสนธิการไม่ได้เพราะว่าในขณะนั้นอยู่ในภาวะสลุมสลือบ้างเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้ฮะส่งผลในปฏิการได้ลักษณะการส่งผลนื้บุคคลหลายหลายลักษณะถ้าเราดูในแง่ของอุปนิสยปัจจัยก็คือว่าน้อมที่จะคิดช่วยในความฝันในพบต่อไป <c oughs> หรือว่าในการในอนาคตต่อไปนั่นดูจุดหนึ่ง ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือว่ากลายเป็นคนมีโรคภัยแค่เจ็บมากสุขภาพไม่ดีผิวพรรณเศ่้าหมอง ก, ก็นั่นแหละะกรรมเหล่านั้นมันก็จะมาเบียดเบียนเราถ้าเราหากว่าฝันว่าทำเมตตาเขาได้วิธิการกรรมเหล่านั้นก็จะมาอุปถัมเราเข ก, ก็ดูตรงนั้นที่จริงเนในพุทธศาสนาเป็นแหล่งค้าบุญคนมีปัญญาน้อยคิดบุญไม่ออกก็เลยไม่ได้บุญ แท้จริงนะมีบุญใต้ทุกทุก ท, ทวารไงแต่คิดบุญไม่ออกยังตัวม อ, อไหมตรึกบุญไม่ออกเพราะตรึกบุญไม่ออกคิดบุญไม่ออกก็เลยเสียหายเลยเดยนี้นี่เป็นนี้ฉะนั้นก็ต้องก็ต้องรู้จักที่จะทีนี้ถึงบอกว่าความฝันที่เป็นกุศลอกุศลนั้นไม่สามารถที่จะให้ผลในปฏิสนธิการได้เพราะว่าวัตถุ ข, ของเจตนามีกาลังอ่อนมากแต่ในประวัติการนั้นน่ะ กุศลและอกุศลสุภินวิถีเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปอุปถัมภ์วิบากได้แม้ให้วิบากได้ก็เรียกว่าเป็นชนกกรรมไม่ได้เพราะเป็นกรรมที่เกิดขึ้นในใ น, ในมิใช่วิสัยลักษณะเป็นลักษณะคอยอุปถัมมาได้คอยอุปถมัมคอยสนับสนุนเนี่ยกรรมเหล่านี้เป็นกรรมในความฝันนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเคยฝันมาเป็นอกุศลเออ เคยเป็นกุศลเนี่ยเห็นชัดกว่าแล้วต่อมากุศลเหล่านั้นก็มาอุปธรรมกุศลนี่นะทำให้กุศลนั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเนลักษณะอยูแต่ถ้าหากว่าเคยเกี่ยวในเรื่องเคยเคยเบียดเบียนอยู่ไหมไอ้กรรมเหล่านั้นก็จะมาเบียดเบียเนเอ๊บางทีจะได้ดีก็มีมาเบียดนิดเบียดหน่อยอยู่มันทําไม่จะได้เหมือนกันนะแต่ต้องยืดเวลาไปอบางทีคิดเรื่องกรรมแล้วพวกเราบางทีไม่ยอมกรรม ใช่ไหมไม่ยอมเลยนะบอกโอ้แท้จริงมันสําเร็จของมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้มีการบัดท้่วอย่างนั้นเลยต้องขอความเป็นธรรมเนคนยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้นคือไม่ค่อยเข้าใจกรรมเงินเท่าไหร่ถามว่าทําไมเราต้องไปอยู่กับคนที่เขาลาเอียงแล้วมันเป็นกรรมของใครที่ต้องไปอยู่อย่างนั้นใช่ไหมต้องไปเรียกร้องเอากลัวจะได้มากก็เหงื่อตกยางออกนอกใช่ไหมเหมือนคนที่มันไม่รักเราไม่ชอบเราเราจะไปเรียกร้องจากใคร จะไปเรียกร้องจากใครไปโทษใครถ้าคนมันจะมาลักมาชอบเนี่ยถามว่าเราจะไปโทษใครใช่ไหมใช่จะไปโทษใครถ้าเรารู้จักวัตตะเป็นอย่างดีแล้วเราก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่กังวลในเรื่องเหล่านี้มากถ้ารู้จักวัตตะเป็นอย่างดีแล้วจะไม่กังวลเรื่องเหล่านีาก้ก็รู้จักที่จะดูแลตัวเองแต่ที่สุดจริงๆนะถ้ากรรมนั้นแรงเกินไปเนะี่ยให้ดูแลตัวเองขนาดไหนก็ดูแลไม่ได้มั่ ถามมีใครหนีตายหนีเจ็บหนีเรื่องราวต่างๆได้บ้างมั้ยมีไหมหนีไม่ได้แก้ไขกันไปฉลาดนั่นแหละคนฉลาดก็แก้ไขอะไรกันแต่ถามว่าฉลาดแค่ไหนแก้ได้แค่ไหนทัานมองให้ดีเ่ะเรื่องตรงนี้ว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเราก็จะเห็นในชีวิตที่ผ่านมาใน่บเลือ ม, มันตรึกให้เป็นกุศลให้ได้แล้วตรึกถึงกรรมให้ถูกนะแล้วเราจะรู้นี่จะเป็นยังไง ฉะนั้นในภาพของสุปินนวิถีถ้าเป็นกุศลสุปินนวิถีเดี๋ยวเขียนให้ดูหน่อยในภาพที่ยกพอเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคำว่ากุศลสุปินนวิถีเนี่ยนยะจะอย่างนี้เขาเรียกเป็นอติวิภูตารมแต่ทารมนาวาลาที่ไม่มีอดีแต่พวงเป็นกุศลสุปินนวิถีถ้าเป็นกุศลสุปินนวิถีการมมาพวงใช่ไหมพวงหน้าและพวงหลังก็คือกรมมวัวงสิบนั่นแหละ เวขาสันติสองมหาวิบากแปดแต่ชาวนะนั่นเป็นมหากุศลจิตแปดมิริยาจะเอามาเป็นวิถีไม่ได้ในสุบินวิถีเพราะพ่อหลานท่านไม่ฝันแล้วแต่วิถีนี้ยังลงตถาลมณะอยู่เบื้องต้นนะ่นนะต่อไปก็จะเป็นชาวนะวาลาจากการที่ไปรู้ว่าเป็นอะไรอันนั้น ก, ก็ก็อีกอย่างแต่เริ่มต้นทีเดียวนั้นน่ะจะเป็นลักษณะเช่นนี้ก็ถือว่าอารมณ์แรงเห็นไหมนะ อารมณ์น่ะแรงและชัดไม่ใช่ไม่ชัดถ้าไม่ชัดจะรู้เรื่องไหมเนี่ยลักษณะเช่นเนี้เมโนทวารละชนะนั้นน่ะลำพึงถึงอะไรลำพึงถึงพระเจดีย์ลำพึงถึงพระธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือลำพึงถึงสิ่งดีๆงามๆต่างๆลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสุ ป, ปินนวิถีที่เป็นกุศลสุปินนวิถีนะกุศลสุ ป, ปินนวิถี รับอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่ตนเองเคยเห็นมาอย่างนี้เป็นต้นนื้อนืหรือตรึกในสิ่งที่ตนเองยังไม่เห็นแต่ว่าได้ยินบอกเล่าก็เลยตรึกน้อมไปข้างหน้าเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันลักษณะเช่นนั้นก็มีเนี่ยนีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าส ป, ปินนวิถีทีนี้ว่าถามว่าในการหน่วงเอาเป็นอารมณ์เนี่ยการหน่วงนั้นหน่วงเพราะอะไรอะน่วงเพราะาธาตุกำเริบหน่วงเพราะคิดมากหน่วงเพราะเทพหรือน่วงเพราะปุพานิมิต บางทีนจิตที่คิดปารบบ่อยๆเนะี่ยใจก็เลยอะไรอววรถึงอันนี้ได้อันนี้โดยมากได้หรือเทพใช่เทวดาซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันอย่างนี้เป็นต้นก็มามาทำเหตุหรือว่าสแสดงอภินิหารอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหเห็นพระเจดีย์ประการต่อมาคือกรรมของท่านผู้นั้นนั่นแหลนะ จะผลิตวิบากให้อย่างไรเพื่อให้เห็นในความฝันคือเขาเาก็สนับสนุนมาทำให้การตรึกของการน้อมนั่นในการที่จะเห็นในสิ่งเหล่านั้นก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเอาเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้ไงเอาแน่นอนไม่ได้เลยไงเอาแน่นอนไม่ได้เลยก็ก็เลยไม่รู้จะตั้งเรื่องในการอธิบายยังไง ไม่รู้จะตั้งเรื่องการอา ธ, าธิบายยังไงเพราะมันเอาเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้นยะนี่เป็นอย่างนี้นี่คือในลักษณะของกุศลส ป, ปินนวิถีถ้าสมมุติอย่างนี้นะถ้าหากเป็นกลุ่มเกี่ยวในเรื่องของอากุศลส ป, ปินนวิถีใช่ไหมในอกุศลส ป, ปินนวิถีผวังหน้าและผวังหลังไม่มีจุดต่างกันเลยแต่เปลี่ยนตรงชาวนะ มนโนทวารชานะนั้นก็หนึ่งแต่อกุศลชวนะนั้นสิบสองเลยแล้วแต่เรื่องทีทีนี้ถ้าหากว่าในกลุ่มของอกุศลสุปินนวิถีเนี่ยอกุศลละจิสองนั้นเน่ยตรึกหน่วงอะไรมนโนทวารชานะนั้นก็จะน้อมลำพึงถึงเกี่ยวกับกิริยาการที่เคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นเนี่ยกิริยาการเหล่านั้นก็จะน้อมหน่วงถึงแล้วก็ทําให้ชาวนะนั้นเป็นไป ก็แปลว่าไอ้ตัวมนสิการไม่ดีในขณะฝันนั่นแหละเป็นอโยนิโสมนุษยการนั่นแหละการมนุิการผิดพลาดและอารมณ์นั้นก็เป็นอั น, นิีฐารมด้วยใช่ไหมอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีด้วยเพราะเป็นกิริยาการแห่งการฆ่าเป็นต้นนะก็นวงเอาไปในลักษณะเช่นนั้นแล้วก็ทําให้บาปทําให้อกุศลนั้นเกิดขึ้นนะนี่ น, นี่เป็นในลักษณะเช่นนี้ใช่จช่ ได้ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายอ๋อตรงนี้ก็ต้องดูตรงนั้นคือปัญหาต้องดูว่าแล้วที่จิตเกิดต่อเป็นกุศลหรืออกุศล อ, อดูตรงนั้นเป็นประมาณมมมเพราะว่า<ม>ถ้าหากว่า<ม>ถ้าสมมุติว่ามโนทวารวชนะลำพึงถึงอารมณ์ใดจะเป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าโชานะที่เกิดต่อเป็นกุศลโชนะไอ้อดูตรงนั้นเป็นประมาณได้อย่างเราเคือมาดูตรงนั้นว่าคิดชั่วหรือคิดคิดดีอะ ดูตรงนั้นเป็นประมาณแต่ถ้าากคิดไม่ดีคิดไปในทางบาปแบย น, น, นี้อาโย น, นิโสมราศิการเกิดขึ้นแล้วมโนทวาระวัชนะนั้อปา่าเรผิดพาดโอ้ยไม่ใช่ง่ายนะครับการการฝึกตั้งอัธยาศัยในการที่จะคิดถูกเนี่ยยากจริงๆนะไม่ใช่ง่ายๆเลยเช่นยกตัวอย่างเช่นเอางี้ถ้าเราได้โกรธวัตถุสังขารชิ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งลองวางจิตให้ไม่โกรธในสิ่งนั้นดูิ ลองคิดหาคนคนนั้นแล้วไม่โกรธ ด, ดูลงทําได้ไหม <S <S มันไม่ใช่ทําง่ายๆ <S <S ถ้าหากในกลุ่มบุคคลที่จเจริญเมตตาเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้นนะถึงจะสามารถที่จะน้อมจิตเมตตาได้ทุกคนแต่ถามว่าอย่างที่ยังฝึกหัดจิตกระท่อนกระแท่นฝึกลูกศรกันไม่ดีเงนี้ดัดลูกศรไม่ดีดัดจิตไม่ดีเย่างนี้ทาได้ไหมชีบัวทําได้ไหมได้ไหมอ่ะ บอกเ อ, อเราไม่ค่อยพอใจต่อสิ่งนี้แต่ถ้าเห็นครั้งนี้เนี่ยน้อมจิตอพอใจทันทีแล้วก็ให้อภัยสิ่งนั้นทันทีทําได้ไหมนั่นแหละคือมโนทวารลวชนะเป็นอายนิโส<อ>ก็เลยเป็นปัจจัยเกิดเมตาตาก็ถูตองเพียรทํำก็มันไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะเพียนแล้วหลุดเดี๋ยวบาปเกิดอยู่ตรงนั้นแหละขนาดเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าท่านจึงบอกว่าผู้ฝึกใหม่ๆเนี่ยอย่าแพ่เมตตาให้กับศัตรู หรืคนที่เราโมโเกลียดเนี่ยถ้าลองลองนึกถึงคนนั้นไปนึกถึงคนนั้นมาพยาบาทเข้าทันทีอ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่เคยทําร้ายเราต่อมาเราเจ็บปวดเพราะคนคนนั้นมากบอกเอาละเราจะน้อมจิตในการที่จะทําเมตตาให้เกิดขึ้นกับท่านผู้นี้อย่างเงี้ยนะแล้วก็น้อมจิตไปในการที่จะทําเมตตาให้เกิด